เป็นธรรมังนั้นอย่างที่เราพากันตรวจชราธรรมชราที่ทโมหิพญาพญาทิงอนาจิตโตชนาทิธโมหิชราชิงอนาจิตโตนั่นเรียกว่าจราทิธรรมพญาธิธรรมมณนาธรรมเยอะอะไรเราเรื่องเนะรื่องธรรมเลยครอบมวดทั้งโลกในโลกนี้เขาเรียกว่าโลกธรรมเหนือโลกขึ้นไปก็เรียกว่าโลกตุลธรรมจะเอาไงกันดีกรทสานธรรมมันมากกว่าจริงจริงจงจัง จะพูดเรื่องโลกเรียกว่าโลกกระทำครั้งนี้โลกกระทำนี่แหละถ้าคนเราจิตยังมียังคืนโลกอยู่มันเลยเป็นโลกไปซะครั้งนี้อะไรโลกกระทำแปดทุกทกุกสันต์เกินนิมทาได้ลาเสียงราดได้ยอเสียโลดมันก็ท่อนี้แต่ว่าถ้าจิตเป็นโลกแล้วนี่นั่นเลยกลายเป็นโลกไปซะถ้าจิตเป็นธรรมวันนี้เป็นธรรม แต่นึงว่าแล้วทิงยังไงก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าโลกธรรมเรื่องหากจะพูดกันกลวงๆเบสที่หนึ่งก็เรียกว่าภูมิองธรรมคือกามาประจรรูป า, ารระจรอรูปาวจรมันเยอะอเอะไรล่ะเกินเรื่องดำเรื่องดำมันท่านนี้เราปฏิบททัติธรรมปฏิบัติตรงไหนกันหาตรงไหน ท, ไทําไมจะให้มันถึงตรงไหนกันมันมีเยอะอย่างนี้แหละจะไปถึงที่ไหน ย, ยิ่งไกลเลอยิ่งต้องไปถึง มันไม่ได้ไปไกลเลยถึงคำว่าถึงในที่นี้นั่นให้มันเข้าถึงของจิตเท่านั้นนะ้าเรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมก็คือไม่เห็นนี่แหละไม่เห็นของมีอยู่เนี่ยคือรูปนามเ่งคำว่าเห็นจะไใจไปเห็นที่อื่นคำว่าถึงไม่เห่อื่นถึงตรงนี้เองจิตของเรายังว่าฉันถึงถึงคว้าไม่ถึงยึบไม่ได้คว้าโองกรนี้เมื่อคว้าไม่ถึงเลย ยึดไม่ถูกก็เรียกว่าไม่ได้ก็เรียกทำไมเพราะฉะ น, นั้นในทางปฏิบัติจะได้ส่งออกไปนอกจากอันนี้คือว่าเราได้ทำแล้วก็เอาทำนี่แหละมาพิจารณาเอาทำนี่ามากําหนดแล้วก็ทําฉันทะคือความพอใจว่าทำนีอยู่ที่ตัวของเราเวลานี่เราได้ทำแล้วทำอยู่ที่นี้แล้วทําฉันทาคือความพอใจแท่งพิจารณาทั้งเรื่องทรร หาก็มันจะปรุงส่งอาไปก็จะได้ถือว่าเป็นของเราให้ถือเป็นธรรมมันคิดนึกส่งสายเรื่ออาการต่างๆเขาเรียกว่าสังขาตธรรมมันปรุงมันแต่งไม่ใช่ของเราตัวของเราแท้ๆสมมุติเอาตัวเราคือตัวจิตตัวจิตไม่มีเรื่องคิดเรื่องนึกจิตแค่มันมีคิดนึกที่คิดนึกเลยปรุงรูดแต่งนะเป็นอาการของจิตตัวจิตเดิมแท้ๆเลยนี่นี่เราเป็นเสื่อมวัด ธรรมะกับจิตมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าเราจะแยกธรรมเราจะพิจารณาธรรมเราต้องเอาจิตับพิจารณาธรรมไปพิจารณาอาการของจิตถ้าเห็นเรื่องของจิตก็เรียกว่าพิจารณาธรรมเห็นธรรมเรื่องอาการของธรรมถ้าหาพูดถึงเรื่องจิตไม่มีอาการแล้วคนชักจะสงสัยกันมากเพราะว่าผู้ฟังธรรมทั้งหลายและผู้พิจารณาธรรมหลายยังว่าจันถึงธรรมะอันเทว่าไม่มีอาการ คือกรรมฐานที่ว่าเราทําไม่ท่านถึงคําว่ามีอาการอาการไปอาการมาในนี้มันอยู่สภาพเพระมันตั้งหักอันนั้นคือตัวเดิมในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าจิตเดิมหรือจริยมกจิตหรือว่าผวังกจิตจิตั ต, ตงว่าพัดสงจิตให้กับผู้จิตเป็นของของใสสะอาดที่ปกติตามดัง่งธรรมดา้าพูดทั้งเรื่องของขอ ง, ของใสของสะอาดก็เนิดกนกับไฟนี่หละ ไฟถ้ามันแสงมันฉายออกไปนะั่นเรียกว่ามันมันใสสะอาดนันก็ฉายออกไปอาการฉายออกไปไม่ใช่ไฟพุ่งแสงจิตที่มันฉายออกไปที่มันมีอาการนะั้นไม่ใช่จิตมันเป็นแสงของจิตและอาการของจิตจิตตัวนั้นเนี่ยบุญธเคยเข้าถึงเมื่ อ, อไรแล้วก็เราก็นิยมธทรมรู้จักว่าจิตเดิมขึ้นตัวเดิมจะแท้นะั่นคืออะไรเป็นยังไงเรายังบุญธรรเข้าใจ ยังไยังให้ทดลองดูอย่างนี้กันแล้วครัถ้าหากเรายัางจับตัวเดิมของจิตไม่ได้อาการไม่มีอะไรไม่ได้นั้นทดลองดูเวลาเราจะนั่งกำหนดภาวนาทำรรมสมาธิตั้งสติกำหนดจิตดีๆแล้วกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีคิดไม่มีนึกไม่มีอะไรเลยเชิอนนั้นหละอาการของเดิมอันองทนี้พอระบายลมหายใจมันจะมีคลุ้งออกไปตามอาการตามเดิ อาการนี้เราจะให้มันอยู่ตลอดไม่ได้แต่เราจะพยายามฟุกหัดให้มันเห็นทวไปเห็นตรงนั้นแหละเมื่อเราไปเข้าใจรู้เรื่องอาการของจิตอย่างอธิบายดังอธิบายมันี้แล้วอันนั้นไม่ใช่เราอาการของจิตคือธรรมอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์หรือเพื่อจะเอามาเป็นเรื่องอารมณ์ของตนคือจะเามายึดไว้เป็นของตนนั่นเป็นอาการของธรรมธรรมมาอนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเมื่อมีตัวก็ต้องมีอาการ อาการไม่ไม่ใข่เราอย่าไปเอาไปอย่าไปเอาอาการให้ไปกำหนดนตัวที่ว่าไม่มีอาการเข้ามาตรงนั้นถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันหายไปเองมันปล่อยวางไปเองอาการทั้งหลายแล้วมันค่อยหมดไปหมดไปมันจะกดตัวเข้ามาอยู่อันเดียวเข้ามาเข้าถึงอันหนึ่งเข้ามาอีกอาการที่เข้าถึงอันหนึ่งเข้ามาเนี่ยนี่แหละเป็นรากฐานสําคัญที่ชุด ที่เราจะไปรู้เห็นธรรมดังอธิบายมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมกันแน่นอนทีเดียวค่ะ น, นี่ถ้าหากว่าเข้ามาโดเข้ามาที่มาอยู่อันหนึ่งแล้วนั้นนั้นจะเรย ว, ว่าเป็นธรรมเข้าถึงสภาวธรรมแล้วกันสภาธรรมเคือหมายของมันเป็นอยู่อย่างไรมนก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเราเกิดขึ้นมายเราต้องแก่แตาข้ามเราต้องแก่มันหมุนเวียนแต่แก่ไปจนรุดรุดทรงก็จะต้องแตกดับถ้าหากว่า ไม่ไม่ทันหมดกิเลสบาปกระทมหรือกรรมยังมีอยู่มันก็ต้องกลับมาเกิดอีกหมุนก็อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจิตของเราเนี่ยไปติดกับวันที่ทั้งสาละจากที่มันหมุนเนี่ยติดนี่เขติดพันกั บ, กบมันมันติดพันอยู่อย่างนี้นักพบนักชาติในตัวมันยังค่อยเดือดร้อนทุกทุกทรมานสว่ตที่บาปอยู่ตลอดทางเมื่อเราเห็นโทษเราจึงค่อยมาพย า, า, ายามพึกธผลอบรมอบรมก็อบรมจำแนวที่อธิบายให้ฟังวันนี้เพื่อเห็นเป็นธรรมนั่นในเรื่องโลก มาเกณฑ์อย่างนั้นอ่ะหมุนอย่างนั้นอ่ะเรื่องโลกอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องของโลกคจิตของเราเมื่อเราต้องการอยากจะเห็นถามอย่าไปหมุนต่างโลกให้เห็นภัยคือเห็นโทษของโลกมาสิจิตของเราจะปล่อยวางเข้ามาถึงเอกกตาลมเอกกตาจิตคเข้าถึงอารมณ์อัหนึ่งมุขเห็นอันหนึ่งแล้วการนี้มันเห็นชัดถ้าเราดันถึงอันหนึ่งไม่เห็นชัดแล้วไม่เห็นเสร็จธรรมเลยมันยากเลยตรงนี้ ทำรรยากมาไม่เห็นธรรมคือไม่รู้ทรรเห็นธรรมเห็นนั้นยังต้องหาธรรมถ้าหาก็เราตั้งสติกำนดธรรมแสดงความฉันทะคือทำความพอใจในการที่เรามีธรรมเห็นธรรมได้ธรรมอยู่แล้วอนะันมีธรรมอยู่แล้วพอใจในนั้นแล้วไม่ต้องไปค้นคว้าแล้วไม่ต้องสงสัยไปหาที่อื่นอีกแล้วไม่ต้องสงสัยอีกอะไรทั้งหมด อย่าไเข้าใจโดยตรงนั้นตรงนี้เห็นโน่นเห็นนี่จึงเรียกว่าทำอย่าไปเข้าใจงั้นคนที่ว่าไม่เห็นอะไรนั้นเรื่องโกหกตนเองแหละไม่เห็นทำไปโดยธรรมคือโกหกตนเองดีที่สุดที่จริงเห็นอยู่เนี่ยแต่เราไม่มีความฉันทะความพอใจในธรรมของเราเฉยๆของที่มีอยู่แล้วนั้นเราไม่พอใจมันก็เลยเป็นของใหม่นี่นักธรรมเคยอธิบายฟังว่าคนมีไม่พอนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่คนรวย คือจนอยู่ตลอดเวลาคนมีนี่มีเท่าไหร่ไม่พอจะมีประโยชน์อะไรมีไม่พอมีน้อยช่างหาคอยใจนี่สิ่งที่ตนมีอยู่มันก็เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นมันอะไรควรสุขควรสบายอันมีไม่พอมันเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลมันจะมีประโยชน์อะไรของมีมากอันนี้ก็เหมือนกันทำก็เช่นเดียวกันเราได้ทำแล้วเรามีทำอยู่แล้ว แต่เราไม่พอใจในธรรมเขาส่งก็เลยส่งไปหาธรรมอื่นนอกจากนี้เขาใจว่าธรรมจะดีกว่านี้มีอยู่เห็นธรรมเขาจะเห็นโน่นเห็นนี่ได้าตางค์เห็นภาพเห็นนมิตรเห็นเทพบุตรเชือได้ยินพรศ์ชั้นป้าตะวันนั้นโน่นมันจะเรียกว่าธรรมน้นนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ของเราเห็นจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ไม่ใช่ของเร า, เรเร ข, อเราของเราแท้คือของมีอยู่เราทำความ <c oughs> พอใจขึ่งวิจารณาสมบัติอ <c oughs> งงของสมธรรมเขาเราเห็นธรรมกันตรงนี้เห็นอะไร เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นของกิดแก่จะตายเป็นของเมตเพียงแล้วเห็นอย่างนี้เลยเรียกว่าเห็นถัดอันนี้จะเห็นชัดหรือไม่ชัดนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งถ้าในชัดก็หมายความว่าตาของเราเนี่ยวัฏสว่างเต็มที่เพราะอะไรความสว่างของตาในที่นี่เนี่ยคือจักสุธรรมจักสุคือปัญญาจักสุวันสว่างเต็มที่ทั้งไม่สว่างก็หมายความว่า พื้นฐานยังไม่พอคือความสงบของวัตถันิยมที่นักธรรมะเคยอธิบายฟังมาแล้วอุปมาเสียน้ําที่ใสๆน่ะถ้ามันไม่นิ่งจะเมื่อไรเงาไม่ปรากฏน้ําก็เครื่องไป ม, มีเงาเนอกใช้แสงใสก็ไม่ปรากฏเงาเงาไปอยู่ไหนเหงาไม่อยู่นั่นแหละถ้าหามันนิ่งเงาก็ปรากฏเกิดขึ้นมาในที่นี้จิตของเราถ้าหามันทรงใสก็เป็นฝาเล็กคล้ายๆกับเป็นคลื่นคลื่นของน้ำคลื่นของจิต นันก็ไม่มีความมันก็ไม่ชัดเห็นธรรมะก็ไม่ชัดหรืออาจจะไม่เห็นเฉเลยถ้ามาขึ้นหนักเป็นที่ก็ไม่มีอะไรไม่เห็นไม่เห็นภาพเห็นอะไรขึ้นมาเฉยเลยถ้าหาเรนิ่งลงไปแล้วนั้นปรากฏขึ้นมาในจิตจิตของเรานะถ้าหาก็ยังหวันหน่วยก็ซับกระส่ายเด่นลนอย่างที่ท่านเรียกตามนั่นเรียกว่าขี้เล็ดคือความชอบมองขี้เล็ดคือใจไม่ผ่องใสไม่สะอาดสกปรก หรืออีกหนะึ่หนึ่งที่เรียกว่ามีว น, นเรื่องเหล่านี้อ่ะมันเป็นเครื่องเปิดฝาปกปิดปัญญาจตุไม่เห็นธรรมเห็นนั้นเราจะต้องชําระโมนีถ้ามันหมดไปพูดถึงง่ายๆ่ายให้เข้าใจใง่ายๆก็หมายความว่าธรรมมีอยู่แต่เราไม่ยินดีในธรรมไม่พอใจในธรรมที่ไม่ยินดีไม่พอใจในธรรมที่เราไม่เข้าใจงเรื่องธรรมหลงธรรมของตน ไม่มีความพอยใจดีพอยใจยินดีในทางมันตนก็เลยไม่ไม่รู้จักทำทำนี้อยู่กันเลยไม่เป็นประโยชน์แก่ตวเรียกว่าเรานอนเป่าธรรมนั่งเฝ้าธรรมไปไหนก็เอาธรรมไปด้วยแต่ไม่เห็นธรรมเราะปัญญาเจตสุของเราเองที่จะให้เกิดปัญญาเจตสุอย่าไปทิ้งความสงบอบรมจิตให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวสะก่อนถ้ามันถึงเอกภตาจิตเอกภพตาลมซะก่อนอย่าไปพุ่งมุ่งมาอยากจะให้รู้อย่างเดียว ยิ่งมุ่งอยากอยให้รู้ไปยิ่งมืดมิดไปเลยถ้าไม่รู้แล้วก็ปล่อยวางใช่ไหมไม่รู้ทําเพี้ยนทำตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเสก่อนมาสร้างปัญญาแจ่สุขคือทําปัญญาแจ่มสุขเราให้มันใสสะอาดเสียก่อนม า, าปรับปรุงตรงนี้สีแล้วมันจะไปรู้อีกถ้ามันมีสภาพอยู่เช่นนั้นตามเดิมมันเพราะเรานี่ต่างหาเป็นไงแจ่สุของเราไม่พอไม่ไม่สว่างจริงไม่จริงรวมยอดตัวหนี่งมีสองอย่างทํา ม, มีอยู่ แต่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะเหตุที่ปัญญาเจสุขงเราไม่พอเมื่อปัญญาเจสุไม่พอแล้วแล้วมีแต่ อ, อยากรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ปรับปรุงตัวใจของเราให้มันสงบมันก็เลยไม่รู้เลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็หลงธรรมก็เลยไปกันใหญ่นี่เลยโดยสรุปรวบเจ็ดขั้วการปฏิบัติมีแท่นี้กจะทำอย่า ง, างไงปฏิบัติยังไงก็ต้องลงมานี่ทั้งนั้น่ะหลักมันต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องมีหลักยืน ตัวไว้อย่าเอาอย่างนี้หละอย่าไปหยิบนูน้นเวยนี่เดี๋ยวนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ถูกมา น, นั่นก็ไม่ใช่อะไรต่างๆหรือไม่ถูกนี่ไส่ของเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเลยยิ่งฟุ้งใหญ่นิ่งก็เพื่อมใหญ่ละไม่ไส่สักทีนะมนันแล้วเชื่อมั่นว่าทําอยู่ตรงนี้มีแล้วเราจะดูทําตรงเนี้มันชัดมันไม่ชัดเพราะเหตุที่ปัญญาจะสูงเราไม่พอแล้วเราก็มาปรับปูมแก้ไขตัวปัญญาสูงของเรา สร้างปัญญายสูตรนะครับมันใสสะอาดขึ้นมาไม่ไปดิ้มล้นอยากจะลู่อย่างเดียวแล้วไม่ได้อพรนี้แหละหลักที่อธิบายฟังในวันนี้นวนะวันนี้จะเท็จแนวปฏิบัติแคหนึ่งมีหลักไว้พูดเกินไปถ้าเพื่อมากมายมันจะไม่มีขอบเขตจะพูดทั้งแนวปฏิบัติให้ยึดหลักอะไหนักแน่นโดยเฉพาะพูดหลักเฉพาะเฉพาะเลย การปฏิบัติขยะที่เข้าใจกันอยู่แล้วอะ่ะมีสมาธกับวิปัสนาเบื้องต้นคือสมาธต่อไปก็คือวิปัสนาสมาธินั่นมีหลายอย่างพูดออกไปอีกถ้าพูดในแนวปฏิบัติโดยเฉพาะพวกปฏิบัติโดยกันพูดจนรู้เรื่องนั้นดีทบาทสมถธิในทีน่นี้สมาธิคือหัดให้เกิดความสงบความสงบนี่แหละเรียกสมมติตาม ตำราเขงเรียกว่าสมถะหรืออีกนหนึ่งเรียกว่าฌานสมาธิถ้าเข้าถึงขั้นนั้นเรียกว่าฌานเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาบัติรวมอยู่ในเรื่องสมถะนะน่านี้สมถะเนี่ยมันมีแยกออกไปอีกสองอย่างสมถะในแถวฌานอย่างหนึ่งสมถะในแถวสมาธิอีกอย่างแต่ท่านพูดรวมกันไว้ว่าสมถะเดียวกันฉะนั้นที่ท่านแสดงนะท่านแสดงทั้งเรื่อง สมาธิกับทานนะกันเดียวกันแต่ความจริงเงินมีแยกกันอยู่ในหน่อยเหมือนกันอารมณ์มันเดียวกันทานแปลว่าแพ่งคือแพ่งในจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ในอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์เช่นแพ่งกับศิลที่ท่านบอกกับสิทธ์มีเยอะถึงมีเป็นสิทธ์มีปัทวีกับศิลเป็นต้นแ่ะคือแพ่งดินนะตรงนี้พิสีจนลาอย่างที่ท่านสแสดงในนานตำํำรา แห่งน้ำแห่ลงลมแห่งไฟแห่งนาฏศิลปะปฏิคูโทขันดุสัตว์พระตัวอย่างใช้จิตไม่อยู่ในอารมณ์นั้นแน่อยู่ในอารมณ์นั้นอันนี้นอกจากที่ท่านว่าไปนะยังมีหลายอย่างอย่างที่เราเข้าใ จ, จ ง, ง่ายเราเพ่งความสุขหรือเพ่งความทุกข์ให้จิตแนวกับความสุขหรือความทุกข์เราเกิดเวทนาตรงไหนหรือเลยความสุขกายสบายจิตตรงไหนเอาจิตไปเพ่งไม่อยู่ในอันนั้น ก็เรียกว่าพวกเพ่งเหมือนกันง่ายที่สุดแต่เราเอาจิตไปเพ่งในอนาปานสติเนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นอนาปานสติก็เรียกว่าฌานแล้วแหละลักษณะการเพ่งนั้นอ่ะคือไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายให้จิตไปจดจอ่จอโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์นั้นอันเดียวจริงๆจังแนวอยูใ น, นอารมณ์นี้จริงๆจังไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายลักษณะอาการเพ่งแรนั้น อันนี้ที่แยยกออกที่เรียกว่าชานเดี๋ยวพูดให้มันตลอดไปก่อนคือการเพ่งนี่แหละในเมื่อจิตมันไปอยู่ในจุดเดียวแล้วอารมณ์อื่นก็วางปล่อยวางหมดในผลที่สุดจิตจะรวมเข้าเป็นภวังหายเงียบไปบางทีบางทีก็เฉยอยู่เฉยนิ่งไม่เฉยนะแต่วักษณะมันมีอาการคิตจิตที่เป็นภวังมันมีอาการปล่อยวางที่เราเพ่งนั้น แล้วไปเฉยอยู่หรือไปกลับไประโยช น, น์ลักษณะอาการนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดอีกงหนึ่งผู้ที่ฝึกฝนอบรมเข้าใจได้ดีแท้เลยว่าพอจิตรวงเข้าไปแล้วไปอยู่เรื่องไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากจึงเรียกว่าผวางังคือเรียกว่าพบพบของใจครบของใจนี่แหละในที่ท่านเรียกว่าฌานที่ที่สุดของฌานคือ การแสดงถึงเรื่องวิตตกหลักมันคือวิตตกได้แค่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เช่นเราจะนึกเอาอาสุพะหรือธาตุดินแห่งเอาดินเอาดินนั้นยกขึ้นมาทว่าความาวามายกคำว่ า, าในที่นี้นี่ยมันเป็นภาษาสมามติก็ไม่จริงไม่ใช่ยกคือเราเอาจิตไปจดจ่อในเรื่องนั้นถ้าแสดงว่ายกก็ไม่จริงเราจับเอานั่นแหละให้จิตไปจดจ่อในเรื่องนั้นแพ่งในเรื่องนั้นเรียกว่ายกจิตขึ้น นี่เรียกว่าวิตตกยกฤฤฤฤฤาาจิตขึ้นหนะมายเขาว่าเราจะพิจารณานี่แหละนั่นแหะเป็นวิตกวิจาณ์น่นหมายเขาว่าแห่งพิจนารณาในเรื่องนั้นไม่ต้องตรวจการอะไรมากมายไม่ต้องวิพาควิจารณ์บดินมาจากอะไรหน้ามาจากอะไรร่มไม่จากอะไรไม่ต้องวิภาควิจ า, จารณ์อ ะ, ร อ, อะไรมากมายให้แต่ล่อมจิตให้อยู่ในจุดเดียวจริงจงคือระวังตัวไม่ให้มันแยกออกจากนะั้นเรียกว่าวิจารณ์ ถ้าหารเราไปวิจารณ์คิดคนโกรธกลาดินน้ำไปเรามันจะน้อยใจทุกครั้งมั้นนะมีสภาวเกิดขึ้ไม่ใช่ทธรฉะนั้นเป็นเรื่องสมาธินี่มันแยกกันอยู่ตรงนี้อันเดียวก็นเพ่งอารมณ์เดียวกันนะมันมาแยกกันตรงนี้อันนี้เพ่งอย่างที่ว่านี่วิจารณ์ถ้าครั้นี้พอไปเห็นความจริงความไอ้ทีติดตัวเพ่งอย่างนี้พอคิดอยู่แล้วมันก็เกิดเพิ่มปิติดอิ่มใจเต้นซึ่ง จิตก็สงบจิตก็สงบข้อนี้พิจิริจฉันสติสุขเกิดสุขขึ้นมาเพราะสุขก็วางแล้วข้อนี้วางอารมณ์ที่เราเพ่งกสินที่เราเพ่งวางลงสู่เอกกตาหนึ่งแนวเลยที่เรียกว่าระวังเข้าถึงระวังจุดนั้นเป็นจุดจบของฌานแต่ละฌานแต่ละชั้ชนแต่ละภูมิมันนี้เรียกว่าฌานสมถะ ท่นนี้อธิบายตอนสมาธิท่นสมาธิกับพิจารณาเี่ยหมือนกันพิจารณาลมรู้พิจารณาธาตุดินแห่งดินแต่ว่ามันมีการวิจฉาค้นควาดินมันเกิดมาจากอะไรทําไมจึงเรียกว่าดินใครบางคนสมมติว่าดินดินเป็นวัตถุแข็งถ้าไม่ใช่เรียกว่าดินเราจะเรียกอะไรดินนี่เป็นก้อนธาตุหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา นั่นก็จะแตกสลายลงไปนี่ว่าก้อนอย่างนั้นมันก้อนเกิดดัดก้อนแตกก้อนดินก้อนนี้ถ้าปรากฏขึ้นตรงไหนก็ตรแตกตรงนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้คนคว้ไปไปมาจนเห็นชัดในใจในคราวนี้พอมันชัดเจนในใจแล้วคราวนี้คิดเป็นรวมลงเนะ่ะไม่ใช่เป็นพวังมันเป็นรวมยันในที่เดียวมันเป็นรวมในที่เดียวคราวนี้มันจะชัดมดทุกอย่าง ชัดในที่นั้นไม่ได้พลิ้วไปเนอกไม่ได้ส่งสายไปนอกแต่ชัดในคำว่าชัดในที่นั้นหมายถว่าทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้ทั้งตัวของเราแเราแพนออกภายในความชัดเจนแจ้งเกิดขึ้นในนั้นเรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิสมาถสมาถนี่สมถะเบื้องต้นแนวนี้ทั้งนั้นถึงจะปตีย่อยไปกับลักษณะอาการนี้ทําอย่างนี้เรื่องสมาถาเป็นอย่างนี้ต่อ น, นั้าไปาพูดอีกก่อน คือว่าสมถะนี่แหละมันกลับกันไปกลับกันมาคือบางทีเราเพ่งอารมณ์อันเดียวกันนี้พิจารณาอย่างเดียวถ้าหากเราสติของเรามันอ่อนจิตมันน้อมไปหาความสุขสงบค่อยจะยินดียวความสุขสงบจิตมันก็ค่อยละเอียดเข่าละเอียดเขาน้อมไปหาความสุขสงบเย็นละเอียดลงไปรวมก็เป็นภาวะมันเป็นฌานถ้าหากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุพิจารณาเหตุพิจารณาผล สติสมาธิและรวมคิดค้นอ่านคือปัญญาทั้งส า, ามอย่างนี้มีกําลังพอดีของงานกันมันก็เลยเป็นเรื่องให้คิดค้นกรวจกาดันอธิบายมาแล้วเรียกว่ามันเดินแถวสมาธิท่านี้มันมีหลักอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแสดงทั้งเรื่องตามหลักปัญญาสมาธินั้นมีคณิกะอุปจาระปัญหาคณิกานี่เราพอกําหนดกันใหงพิจารณา ดินนี่แหละธาตุดินกระถางเราเนี่ยมันหูบว่าว่าออกบางเข่าบางนิดนิดิดนิดหน่อยเพราะไม่อยู่พักเดียวแล้วกันวูบไปไมาอยู่พักเดียวแลจะก็รูกวูบไปบางทีก็พักกันไปพักหนึ่พอได้พรมยเย็นๆสักหน่อยจะเห็นมีอาการแตกทังนิดถึงแล้วก็หายไปฟุ่มไปอืู่ทุกขจาร่าไม่ไปไกลค่ะนี่อยู่ออเฉพาะอุณเรียนนั่นนะทิดคนอั่นนะจะร่วมแลไม่ร่วมแลในลักษณะ น, นั่นน่ะมันมีอาการเสียดายอะไร อยู่นิ่งที่แน่อนอนมันไม่ยอมลงเตียที่คือมันมีอาการสงสัยรังเร่อต่างตเช่นว่าพอจิตเข้าไปถึงตรงนั้นเน่ยพอจิตเข้ามาใกล้ๆตรงนั้นแ่ะคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอนออกมาใช่มันไม่วางมันไม่ปล่อยวางเต็ยที่ในเรียวในเฟื่องละอัปนาเนี่ยวางพุบเลยเข้าไปอยู่ในหนึ่งอยู่คนเดียวร้องปลอดโสงโลงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขณนะ เป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเดียวมันก็ใช้กับมันวังที่ว่า น, นั่นแหละแต่ว่าลงผิดกันแไม่ได้น้อมไปกับความสุขสงบมันมีสติสมาธิปัญญาเพ่งพิจารณารอบครอบรอบด้านแล้วจิตมันย่งค่อยเข้าไปสู่อัปปนาละเอียดสงบนิ่งเนี่วลงไปแล้วเราจะมีความรู้สึกเฉพาะมันอยู่คนหนึ่งในความรู้สึกนั้นจะสมบูรณ์แบบใ น, นถ สมุนญาติอะไรก็ถูก่นั้นนันเรียกว่าอัปปนาท่านนี้อัปปนาตรงเนี้ยพรามันถอนเนมันถอนเอามาจ ะ, ม ะ, มะวิตกวิจารนึกคิดไปในสิ่งใดๆในตอนนี้น่ะที่นึกคิดพิจารณามันจะเป็นธรรมมดมันจะชัดวัตถุสิ่งหนงอย่างซึ่งเบื้องต้นอุปจาระเบื้องต้นน่ะมันไม่ชัดมันมีลางเลต้องใส่พูกว่าผูกว่าก็ได้ละไรในตอนนี้มันไม่แข็งแนวตรงเลยไสเข้วของรู้ของไปนี่เรียกว่า อุปจาระทางเวลาออกอนะฮะทนี้กาอุปจาะประปัญนาสมาธิมีสามท่ น, นี้ผวางมีพูดถึงผวางผวางขบาาผวางคารจรณะผวังตัวเพิดวางขบาทกระตกูบปับไปเดียวแล้วก็หายถอนออกมาอีกละเฮ้ยต hey, ะกี้นี่ดูมันเป็นยังไงจิตลืมไปพักหนึ่งนั่นเป็นเพาพอรู้สึกตัวขึ้นมายอะไรไ่ไรวังขาบาาผวังการจรณะ พอจิตบุบเข้าไปอ่ะทิกเข้าไปหาตรงนั้นแะ่ะมันมีมีการแผ่ต้านอยู่ภายในแต่ว่าไม่ใช่พิจารณาภายนอกไม่ได้ส่งมโนนอกเหมือนกับเราพิจารณาภายนอกนี่ไม่เหมือนกับเราส่งสายไปอาการของภายนอกนี่ที่เรานั่งพิจารณาอย่างนี้มือดูนั่นดูนี่อะไรภายนอกนี่อันนั้นเรียกว่าส่งสายภายนอกแต่พวังจารณะไม่เฉยนั้นสายคล้ายๆกันเนี่ยจะไม่สายออกมาจากนั้นอยู่ในเรื่องเขามันนั่นเองมีพวังจารณะ ถ้าองคุพเชิดกัดมดเลยนิ่งสงบแน่นเป็มแน่นแค่นักแน่นเต็มที่เลยพูดถึงหลักปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอิปัจฉนาแล้วก็พูดถึงเรื่องสมถะนี้สองแง่คือฌานกับสมาธิทั้งฌานและทั้งสมาธิน่ะมันกลับกันได้แะก็พูดถึงเรื่องความพิษแผลของฌานสมาธิสมาบัติฌานนั้น มีผวังเป็นเสื่องวัดดั่เนินตามแบบฌานคือวิจตุพิจารณ์ที่สุดหรือสติสมาธิมีการเข้าสมาธิเรียกว่าคณิกาขจา ร, จราปนาทานก็มีผวังขบาาผวังคจรารณะผวังคปิเตะอ่านละนิวรณ์หรือผงนิวรณ์สมาธิละสกายสีวิจิทิจชาสีระพัท ส, สมาธิเป็นการเดินมากเอธิบายไปแล้วงอคอโยนย่อ จะอธิบายกันนั้นอนิวาต่อผู้ที่ชำนาญในเรื่องฌานหรือผู้ที่ชำนาญในเรื่องสมาธิหรือไม่ชำนาญก็ตามแต่ก็จะต้องหัดเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นอย่างฌานเนี่ะเราจะต้องแห่งจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์แล้อารมณ์หนึ่งเป็นเรื่องต่อสูออ่กับรคต่างๆพวกง่ายๆเรียกว่ากลัวทุก เห็นทุกเป็นไัยอันตรายแห่งความสงบสุขแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ทุกเนี่ยคือชําระแก้ไขเมื่อหากว่าเราทาฌานให้เข้าถึงความสงบได้มีที่หลบหลีกของทุกเหมือนกับหลุมเพราะด้หลุมหลบไัยในเวลาใดนั่นเองเมื่อมีไข่อันตรายมันจะต้องวิ่งเข้าลงหลุมหลบไข่เนี่ยก็อุ่นใจผู้ที่หัดชําะไอ้หัดฌาน จเจริญฌานจะต้องมีเครื่องกําบังคือลุมเพาะได้แก่ผวาให้จิตรวมลงไปจิตแน่วแน่ลงไปสู่ความสงบสุขทายเดียวไม่เอาอะไรมากมายแล้วไม่ได้คิดอะไรเครื่องป้องการต่อสู้อะไรทั้งหมดเชื่อแต่หลุมหลบภัยหรือหลุมเพาะตัวเ อ, อ, องพอได้ยินเสียงหัวได้ยินได้ได้ฟ้ากดภัยอันตรายขึ้นอันตรายขึ้นมาเหมือนกัแย่ก็ตามเท่เช่นเดียวกันพอเหยื่อหรืสัตว์หรือเหตุคนวิ่งเข้าดูเลยไม่ต้องมี การต่อบตัวนั้นผู้ชำนาญหัดในการลบหลีกไถ่จะต้องมีทั้งนองนั้นมีอาการอย่างนั้นเหตุนั้นจะมายัางพูดว่าขาดปัญญาเรื่องช้านขาดปัญญาทินอยู่เบื้อง ต, ต้นต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเห็นพิจนาอสุ ภ, าาสภปะปฏิปูนพิจนาค้องไม่เที่ยงยเห็นโทษทุกข์ในวตาต้องสาอะไรต่างๆนี้ก็อยากกับปัญญาเหมือนกัน แต่เวลาจิตมันเข้าไปในในระบบนั้นแล้วเชื่อมันเกิดวิโตขึ้นแล้วแ็่วิจารคิดคนหบิดลงไปหาวิปีติเกิดความสงบสุขเข้าถึงสวรรค์อเอกตากวิตเอตกกาโลกถ้าอยู่ความสงบใ น, นท้ายเดียวเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นส่วนสมาธิไม่ขี้กลาดเป็นนักต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออารมณ์อะไรมากระทบเขาตาเห็นโลกหู ให้ยิงเสียงจิ่งถูกกินดิ้ทถ้ารถอะไต่างก็ตามหรืออารมณ์ภายนอกอะไรไทั้งหมดก็ตามถึงจะต้องต่อสู่คือค้นคว้าหาต้นตอและเหตุผลของสิ่ง น, นั้นอย่างเราเห็นรูปรูปที่น่ารักน่าเกลียด ก, ก็ตามรูปที่พอใจไม่พอใจก็ใช่ทําไมจึงชอบทําไมจึงไม่ชอบมันชอบตรงไหนที่ว่าชอบสมมติว่าเราไปชอบเครื่องใช้สักอย่างนึงสิ่งของเครื่องใช้เราสักอย่างนึง จะเป็นกระเป๋าก็ตามแลือเป็นเสื้อเป็นเครื่อขน่มผมอะไรตา่ต า, างๆอะไรต่างๆเรวไปชอบก็แม่นี่ชอบเอกแต่ที่วกขี้ใจเราคือถ้าหากว่าเดินแถวปัญญาจะต้องตีนานอันเสื้อตัวเนี้กระเป๋าใบนี้ที่เราว่าเราชอบมันชอบตร ง, ตงไหนทำไมยังไม่ชอบแล้วคนอื่นเขาจะชอบอะไรเราชอบนี้นคนอื่นเขาอีกชอบด้วยไ้มนึกดเดียวตรงนั้น จงกระทั่งคิดไปจนกระทั่งว่าคําว่าชอบมันคือเราเป็นคนชอบมันก็ไม่ได้เหยื่อใหญ่อะไรกับเราหรอกเราเข้าไปชอบมันนะทุกสิ่งทุกอย่างคนเราันจิตใจเหมือนกันวิงนั่นคงไม่เหมือนกับเราคนอื่นเขาเห็นเขาเขาอาจจะไม่ชอบเราไปชอบคนเดียวถ้าเมื่อเป็นแค่ น, าน้าจริงนะทำไม่ใข่ของดีนันเป็นของธรรมดาธรรมาชาติเป็นอยูอย่แหญ่แค่นะั้นแต่เราไปกลับไปชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้แตตกลงว่าเราก็เปล่าไม่ใช่ของขิงคําชอบน ในพิจารณาถึงเหตุผลนอกจากนั้นอีกเป็นติดมั่นในสิ่งที่เราชอบเราพอใจมั่นอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราได้มานได้มันก็จะต้องใช้ไม่ใช้ได้ต่ต้องเก่าชำรุดโ ท, ทมจะต้องขาดชำรุดโ ท, ทมไปเป็นธรรมดานอกจากนั้นอีกยังพิจารณาไปถึงเรื่องสาเหตุที่มันจะให้เกิดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนภายหลงัทงท้ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมั น, มนชำ ร, รุดโทมโทมแล้วแตกขาดลายไปแล้วจะต้องเสียดาย เราจะต้องอะไรครับผเราจะต้องนําทุกมาให้มันจะต้องนำทุกข์แห้เราฉะ น, า น, นี้ว่าปวดลบกวนดวูความสุขในการกับที่เราชอบกับความทุกข์ที่เราเสียใจอะไรจะมากมายกว่ากันนี่ฉะนั้นทั้งความสุขในการที่เราชอบนั้นที่ว่าชอบนั้นก็ไม่เคยสุขแท้คือไปติดพันด้วยผัวพันในเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสุขเราจะถือความชอบเป็นสุขไม่ได้ไม่ใช่สุข มันยังมีทุกข์คือความเสียดายอะไร้วความติดอกติดใจมันยังมีทุกข์อยู่มันต้องพิจารณาไปอย่างนี้เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งเป็นของกลางไม่เอ็นดิบประหรัตใจสมมดแต่คนหลายคนเข้าไปยึดในสิ่งนั้นเป็นมุ่งในสิ่งนั้นคนชอบก็ไปมุ่งในสิ่งนั้นคนไม่ชอบไปมุ่งในสิ่งนั้นแท้จริงสิ่งนันเป็นของกลางในคนเห็นคนที่เจอจะเห็นโทษตนเองแล้วชอบกับ มันก็วางอันนี้วางได้ชนี้เด้อวางได้ชนิดเลยจริงนั้นที่เราเอามาใช้นั่นแล้วก็ซักไปว่าใช้ไปถ้ามันทำรูปทุตโตนั้วมันเก่าขาดไปกระตางมันสูญหายอันตรายไปกระชัมเราก็จะไม่เป็นทุกข์กระเดือดร้อนไม่อเห็นตามจริงๆเกันมีเลื่วนปัญญาแต่ว่าที่จะเห็นชัดอย่างนั้นอ่ะมันยังมีอีกถ้าหากว่าสติสมาธิของเราไม่เพียงพอมันก็จะไม่ชัดอย่างที่ว่านี้ ถึงไม่คิดนึกคิดกรองไปตามได้ยินได้ฟังเรืออุบายของท่านสอนมันก็สักแต่ว่ามันไม่หนักแน่ไม่แนวแน่ไม่ชัดเดยตัเองถ้าหาว่าสติสมาธิของเราเพียงขออจิตของเรามันแน่วแน่อยู่คงที่แต่พิจารณาชัดเดยตนเองชัดยิ่งกว่าท่านว่านอีกชัดกวอุบายที่ท่านสอนเรื่องเราได้ยินได้ฟังมานั่นอีกมากมายเลยเห็นแก้งไปจากเดียวตัวเองนั่นเพียงจะใช่แต่ในเรื่องสมาธิอันนี้เป็นเรื่องเล่นนะครับนี่ถ้าหา พิจนาได้อุบายอย่างนี้ได้ความชาติอย่างนี้เล้วชอบใจทั้งอารมณใดที่เข้ามาแถวผ่านอารมณ์ใดที่เข้ามาปรากฏในใจชอบใจไหมคือพยายามคือมันชอบใจที่จะต้องได้คิดคนพิจรณาด้วยกันไม่ได้ควดมรูกลั้วขึ้นอีกไม่กลัวอย่าทุกข์เกิดในตัวของเราเนี่ยเราเคยพิจานาให้เอาชนะเอาชนะ ม, มันเสร็จแล้วสักครั้งหนึ่ง จิตของเรามันเด็ดเดี่ยวกระอาหารมทุกแค่นี้หนึ่งลือที่ว่าทุกกระทุกหนึ่งทุกเพราะเราไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงได้ทุกอันนี้ก็ไม่มาทำอะไรใเกิดทุกเจอเราทุกเกิดขึ้นมาเราจะได้กล้าหาต่อสู้ีถ้าไม่มีทุกเราก็ไม่ได้ต่อสู้เราไม่มีเรื่องคิดค้นเราอยู่เฉยสบายใช่คนอยู่ด้วยความสนุกสุขสบายไม่ได้ประกอบการอาชีพอะไรอย่างพวกนี้ เนี่ยไม่ฉลาดในงานนั้นะคนที่ลาบากกรากกรรมหาทํามาหากินทุกทกวิธีทางลม้มลุกทุกขานจนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวใดมีคนสุขสบายคนนั้นจะฉลาดในการสังคมและในนโยบายการอาชีพต่างๆรอบตัวเลยมันดีอย่างนี้เห็นไหมว่าทุกองเป็นของดีให้พระเจ้าําไมได้สอนในละทุก สอนกำหนดทุกเรื่องของควรกำหนด ค, คือยกเอามาพิจารณานั่นเองเมื่อพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วนั้นทุกข์ก็มีอยู่ยนั่นไม่ใช่จะทิ้งไปได้เพราะอะไรเพราะขันทุกข์คือวิบากก็ขันกรรมเก่าที่ตามมาที่มันมาปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นคนถึงมานี้เรียกว่าวิบากกรรมเก่ากรรมที่เราเคยทำํำมาแต่ก่อนเก่าท่านี้เองเมื่อว่าเรามาเกิดในที่นี้กอธิบายให้ฟังแลว้วมันเป็นหนี้ กรรมเก่าเรายืมหนีเราเปนหนีเป็นศิลป์เขจะไปบ้านไหนเมืองไหนเขารู้เขาเขาไปตามไปทวงอยู่ตลอดเวลาแลว้วจะเกิดชาติเดมันก็ตามเลยนึ่งหนีศิลเจ้าหนี่เจ้าศินคือกรรมเก่าเกิดตัวมนุษย์ก็ตามเกิดเป็นพระเจ้าเป็นช้าง ม, มนันก็ตา ม, ม เ, เป็นเต้เต้เป็นไก่ก็ตา ม, าตามเรื่องกรรมเก่ามันไม่พ้นได้พราะได้เจวเกิดอาศัยกรรมเก่าเพียงเขาได้มาเกิดที่มาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้กรรมเก่านะั่นเนี่ยมันตามมาทวงอยู่ตลอดเวลา เนั้นกรรมไอ้วิบากอนะคือว่าอาจจะภาพร่างกายคือตัวนี่ก้อนทุกข์อันนี้เนะี่ยไม่มีใครไม่มีใครข้ทอทิ้งไปสักคนเดียวพระองค์จะไม่ได้สอนในละไม่ได้สอนใทิ้ง <c oughs> ข้อมันทิ้งไม่ได้ตอนที้เจริญาะได้ทิ้งได้โน่นตรงที่ไปนาเห็นตาไปกินอย่างที่ว่าให้ฟังนั้น <c oughs> อย่างถอนง่ายเลยอย่างเอา ง, ง่ายๆ่ายที่สุดก็คือว่ายอมใช้นี่ใช้ทั้งหมดเรื่องนะ <c oughs> ไม่ยอมใช้นี่เราก็ไม่ไม่ได้เพาไปยึด คือปล่อยวางได้มันก็สบายไปถ้าตอนนั้นจะทุกข์มันก็ทุกข์ตัเตียงแค่ทุกข์อยู่ตัวเตียงแค่ขันหนึ่งไม่ได้มาทุกข์เข้าถึงเมืใจเรื่องของขัน น, ข น, นั้นสวยหป่าก็มันนี่จินมันเจ้าประนีเจ้าินม า, าตาบทั่วงเราต่างหากแก้ตรงใจเจ้าประเรเจ้าแก้ตรงใจถ้าวัดตรงายน้น่ะแก้ตรงใจเข้าไปยึดไปถือเมื่อยังครองชีวิตยังมีอยู่ตราบใดก็ยังคลองอันนี่อยู่มันก็กระทบกระเทือนอย่างนัน พระพุทธองค์ชำระหัวใจนะครับว่าท่านชำระหัวใจนะท่านไม่ได้ ก, ก่อกรรมทางเดินต่อไปจึงเนียกว่าจิตด น, นั้นเป็นจิริยามีการเคลื่อนไหวไกายวาจาใจแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อจิตไม่มีเจิตนาและไม่สามารถที่จะทําลายความสงบสุขหรือความบริสุทธิ์ของข้างในเศ้ามองได้จึงไม่เป็นเหตุเป็นภัยยังมาเป็นปัใจจัยให้ ก, อก่อกรรมทางเดินต่อไปฉะ น, นั้นจึงว่าเป็นได้าจากกิริยาหรือว่าชานก็ดี สมาที่ก็ดีจะอธิบายไว้ทั้งหมดน่ครับถ้ายัางไม่ทัชนชํานาญแล้วก็จะต้องต่อสู้ถ้าชนานาญแล้วการต่อสู้นั้นเกิดเลยกลายเป็นกีฬาเพือ่อฝึกฝนเพื่อฟอกใจเพื่อทําให้ใจกล้าใจหาเ<ม>พื่อใจทําให้ใจมีกํนาลังเชี่ยวชาญฉลาดยิงยิงถึงไกลไม่เง็น ข, ข, ข, ของแปลถ้าเรายัางไม่ทันชานาญทิงพากันฝึกหัดอบรมมันชํานาญเขินชำนาญชำนาญยังต้องฝึกฝนอารมอย่างเนี้ย เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องช้นเรื่องภูนช้านนั้นชาน้านนี่ทุทททททททททติยปทุมวะชานทุติยช้านตุติยช้านตุติยมาตุติยามาตเตียมาไม่ต้องพูดแล้วอย่าพูดเลยพูดแต่ตนที่จะจะเอาชนะมันเนี่ยที่จะพยายามทีจ่จะแก้ไขเนี่ยเมื่มันเห็นชัดตามเป็นจริงจะปล่อยว่างก็ไดให้เกิดอาจารย์เกิดภายในตัวของตนเรื่องนี้นเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะอันเรื่องผลอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเราไปคํานึงเรงผลให้คํานึงเรื่ต้นเหตพิจารณาต้นเหตุ ดังเนินต้นเหตุนี่นะมันถูกต้องคล่องใจค้องกายของเราเรียกว่าให้วินชนีชำานาญแล้วก็ได้เจาะทันเทศนาพาวิโตให้ทําให้มากบุญโพธิ์ให้พาวิโตให้เจริญให้จิตบุญโพธิ์ก็โตจะทําให้มากพิญญาญาสัมโพธาย่งางจไงเนีนนเป็นไปเพื่อควารู้จริงเป็นไปเพื่อความตั้รู้คือรู้จริงจริ ง, ร ง, รงนั่นเองสิ่งใดถ้าเราเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้น ไม่ท้อถอ ย, ถอยมันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆ ท, ทาให้มากจเจริญนะยิ่งเล่นไปด้วยอความรู้เป็นไปด้วยคนามตัสุด จ, ะจะริงจริงรู้ยิ่งตัดสุจริงจริงชานาตปฏิอดิสโยพุทธเจ้าทันเทศนาอะไรว่าการแพ่งนั่นเนี่เป็นเครื่องแหกเผาทําทลายจริงๆได้ถ้ารเราเข่งลงไปตรงไหนเระต้องเห็นในตรงนั้นสุดไม่เห็นไม่ยอจิตใจมันกล้าหาญเดีเดียวเข่งพิจารณาใน ไ, นไม่เห็นไม่ยอไม่ก่อพิษ นี่เป็นเครื่องเล่นอธิบายต่อเพิ่มเติมในการที่อธิบายในคืนที่แล้วมานะ่ะเป็เครื่องเล่นสครื่งอยู่เอาละวุฒิชนธรรมดาสามันก็อยู่เฉยเฉยไมด้ท่าเรียสงสารก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้เขาไม่ได้แจวก็อยู่เฉยเฉยไม่ไดยิ่งคาระมากขอเราเสียซ้ำเรื่องกระทบกทระเทือนก็นมีเมื่อนกันกับเรานี่ยแหละคนเราชอบคมสุดเลยไม่อยากให้มีอะไรทั้งหมด มันพิษจากธรมม ร, กธรมดามันคิดธรรมดามันต้องมีการกระทบกระเทือนถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนจิตใจแล้ว hmm. ไม่สึกฝนจิตใจแล้วไม่ซ้อมสอบซ้อมอยู่ตลอดกาลเวลาไม่เนี่ยที่เรากระทบกระเทือนนี่เป็นการซ้อมถ้าซ้อมถูกหลักเอาชนะได้ถ้าซ้อมไม่ถูกหลักไม่ได้ยอมแพ้ตลอดเวลาวิธีภาวนานนต่างๆนัเป็นเรื่องการซ้อมมาเข้าหลักเอ็กซ์อธิบายทั้งหมดในเรื่อนเรื่อง หลักวิชาในการที่จะเข้าสู่สนามคือหัด ส, สมถะอิปัฏฐนาอย่างทือว่าให้ถึงที่จ้านาในสิ่งนั้นนั้นให้มันจนลู่ลวงไปได้ถ้าไม่ชัดิในจริงไม่เห็นแจ้งไม่ยอมตอนท้ายอย่างอธิบายสรุปรวมสมยยอดให้รู้จักการต่อสู้เมื่อเราต่อสู้อารมณ์ไม่ได้มันไม่ยอมไม่ยอม เอาไม่ไม่สามารถจะเอาชนะมันไห้เราต้องย้อนเข้ามาหาตวัวองเราเพื่อจะไปเอาได้มาเป็นอาวุธที่ยังนั่ยั่งยังเวทนาคือความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อยแข้งเจ็บขาสารพัดเจ็บหลังเจ็บเอแวแต่ก็แข็งจิตไป่แข่งในตรงนั้นอะไรไม่เจ็บหรือต้องไหนอะรเป็นผู้เจบ็บถ้าจิตไม่มีมันเจ็บให้คนเรามันก็ไม่เจบ็บอันนี้มันมีมันมีจิตมันนี้เป็เจ็บขามันเจ็บไหม มันก็ไม่บอกมันก็ไม่พูดแขนอเอวมันเจ็บไหมหลังมันเจ็บไหมมันก็ไม่พูดมันก็ไม่บอกใครเป็นคนพูดใครเป็นคนบอกคือจิตนังเป็นคนพูดด้จิตคราวนี้ถ้าจิตไปพูดจะเจ็บอะไรนะมันกม็มีอะไรนี่ย้อนกลับปัหาตัวนี้ตัวจิตพูดที่ไปว่านเนี่ย้าหาก็มีไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ก็ไม่สามารถที่ค้นคิดที่เจรน า, นาจนเอาชนะมันได้ต้องย้อนกลับคืนมามีแนวที่จะเรียกว่า ยุทธวิธีที่เราจะสู้ต่อเอาต่อสู้ข้าศึกเอาอย่างง่ายง่ายข้าห า, าว่าเราสู้ข้าศึกไม่ได้ท่านแสดงว่าม้าเสียบไว้ไม่มีกําลังเราต้องเข้าไปอยู่ในสายคูแล้วเอาต่อสู้ข้าศึกไม่ได้ข้าศึกมีหมู่มากจานวนมากกว่าเราแล้วก็เข้าในวงังในปุนมติดประตูรักษาประตูถาวารในข้าศึกบุกเข้าไปได้ ถ้ามีกําลังซ่าโสมมีกําลังเพียงพอจอึงออกเพื่อ อ, ออกต่อสู้ใหม่ถ้าเอาชัยชนะมาได้ก็ต้องกลับคืนมาสู่มรดกอดติด ป, ประตูลักษากลายครูหรอหลอกไอรี่เรียบร้อยคือเข้ามาหาสมองย่างเข้ามาให้จิตดังที่ว่าไอฝันมีวิธีโลกสมัยสงครามสมัยสงครามสมัยกลาง่อน ท, ท่านเสียงพวกา ม, ามันมากระเราอาการจิตของเราที่จะย่างต่อสู้ปกครองที่ดี อย่างชานก็เป็นของดีชานั่นเป็นอย่างดีที่สุดแต่เราหาใจดีแล้วตัวมีเกาะมีสนามเพาะหลุดลบไป่ั้ไเราทำนั้าางงนแหละทิ้งุดไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมากไปดิ่งเขไปหาความสงบสุขอย่างเดียวทิ้งเราเฉยเฉยเ น, นี่ยทิ้งเราอย่างไม่มีเหตุไม่มผลเลยอะไรเราทางงัำมุดทิ้งทั้งนั้นจนเข้าไปถึงความสงบเกี่ยวกับเอกภพตาลงเอกภพต า, า, ตาจิตหรือจิตเข้าถึงพรวังอย่าง นเนี่ยเนี่ยเต็มที่ น, าน่าจะมีประโยชน์ดีเหมอกั น, นถ้าเดินไม่ได้ไกลเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะออกสู่ได้อย่างกลวงกลวงแล้วก็เขา้าีนก่อนใช้ได้เหมือนกันอุปมาข้อนี้น่ะชาิเรียกว่าค่ายคูประตูหรอรบในพระนครสมาธิหรือปัฒนาเหมือนกับเรามีกำลังกล้าออกต่อสูขข้ต่อกาสุดท้ายนอกจากพรอนครนนั่งภาวนาแ เทศให้ฟังและขานี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคําพูดคนเก่าเล่ากันมานั่นนาฟังนาฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือความเป็นจริงใ น, นคำคำพูดนั่นคือว่เทศธรรมเทศธรรมคาสอนพุทธิวิวรณนเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทศได้ต้องทํามตามอย่างเรียกว่าเทศธรรมธรรมพพรสลาม ไม่ใช่เทศทอรอทำทอรอเทศทำเรื่องต้นเป็นเทศทำทอรอ ง, รองมสอสะกดนั่นแหละนี่เทศจะ่นี่ทำอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำเมื่อก็ไม่รู้จักรสชาติตองการเทศธรรมะคือต้องการธรรมารดการฟังเทศบางทางแล้ปฏิบัติคือต้องการธรรมารดรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นเสียงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่า ความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจงเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพไม่ต้องมีคนอื่ น, นบังคับให้รักและให้กระทําคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำท า, ทางที่ไม่ดีอาหารเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่า ความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ทําดีได้ยากคนดีทําดีได้ง่ายแต่ทําชั่วได้ยากอืมเพราะเห็นในตนเองสิ่งใดมันเจก็ปลดใครจะแบบแก้กล้าไปหยิบเอามาดง่งมังกครังเจาก็ปรดนี่ยไปหยิบมาดองเขาก็เรียกคนโง่คนที่ที่ประหลิบคนเสียจริตวิคนจริตคนอีกถ้าเห็นชัดด้วตนเองแล้วจะไปทไําใหม่ ทำเขาจะเรียกคนที่คนใจดี น, นี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ม่จากรสชาติของทํามากอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรยังไม่ได้ทําไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศัตดแล้วเกิดสมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เมตตาป ไ, ไปว่างแ้งไว้ถึงไหนก็ไมตตาอย่างที่เป็นเป็นมาแล้ว ทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วเลความมัวเมาความหมาดรุ่มลงเพลินีลม ไ, มมไม่มีไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กับสายและบางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชะลาทึ่งเป่าเท่ากัไม่มีเป็นอย่างนี้แย่ขณะที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี้ก็เยาวดีกันนะโขเนี่ยลถของเขาจะทำเราจะรีบรุดของเขาจะทำะทำทามาลถมันปัากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อย มั่นอยู่ในธรรมารดปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมารดได้รับรดธรรมารดนั้นอาศัยการทําจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตจึงอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่เช่าจะรู้ได้ยังไงดีชั่วเมืเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตแล้วก็ไม่รู้จั ก, กว่ามันเกิดมาอะไรขึ้นมาจริงๆละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพามันไม่ดี จะรักษาคนดีไว้เมื่ปลากฏขึ้นที่จิตรักษาตคนดีไว้ที่จิตไม่แต่ว่ารักษาจื่อเม่เราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทํำความสงบเส่นก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรดธรรมะลดงังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทํำสมาธิภาวนาต้อหัดใจให้แต่งบเพื่อจะได้รับรสชาติของเสื่อมธรรมดงังอธิบายมานั้น ตอนนี้ไปพากันตั้งใจทาสมาธิภาวน า, าทำกันได้